พระไตรปิฎกเล่มที่สิสี่สลายยตนาวัตหมวดว่าด้วยอยตนาหกประการอนาถาบินทิโกวาทาสูตรว่าด้วยการให้โอวาดแก่อนนาถาบินทิกะขาหะบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตาวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแหละอนาถาบินทิกะขาหะบดีป่วยหนัก จึงให้บุรุษคนหนึ่งไปกราบพระผู้มีพระภาคแทนตนและนิมนต์ท่านพระสารีบุตรขอให้โปรดอนุเคราะห์มาเยี่ยมท่านพระสารีบุตรมีท่านพระอานน์เป็นปัจฉาสมณะไปยังนิเวศของท่านอนาบิติกะขะหาบดีถามถึงอาการว่าเป็นอย่างไรบ้างได้รับคําตอบว่าทุกขเวทนากําเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยท่านพระสารีบุตร ถึงเมตตาจูงจิตของขหาบดีในขณะป่วยหนักเพื่อให้ได้พิจารณาธรรมอันนำไปสู่การละการยึดมั่นถือมั่นพระสูตรนี้คนป่วยหรือไม่ป่วยฟังและน้อมจิตพิจารณาตามจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองมากนะครับเพื่อวันหนึ่งถึงเวลาตัวเราป่วยหรือใกล้ตายจะได้ใช้เป็นหลักในการน้อมจิตเพื่อไปสู่สุคติหรือบรรลุธรรมได้โดยง่ายเราจิตก่อนตายสาคัญมาก หากปล่อยวางได้จริงจะถือเป็นอริยสาพันประสรรฐที่จะติดตัวไปทุกภพชาติหรืออาจถึงนิพพานในขณะนั้นได้เลยท่านพระสาวรีบุตรกล่าวว่ากหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจักขู่คือตาและวิญญาณที่อาศัยจักขู่ของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียออย่างนี้ เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตคือหูและวิญญาณที่อาศัยโสตของเราก็จักไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานะคือจมูกและวิญญาณที่อาศัยคานะของเราก็จักไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า เราจกไม่ยึดมั่นชิวหาคือลิ้นและวิญญาณที่อาศัยชิวหาของเราก็จะไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นกายคือร่างกายและวิญญาณที่อาศัยกายของเราก็จะไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในมโนคือใจ และวิญญาณที่อาศัยมโนของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าบุตรีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จะไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย hmm. ่างนี้ว่าเราจะไม่ย <Todo> ึดมั <cada Gothic> <S <S ่นเสียงกลิ่นรส โพธภิภะธรรมอารมณ์และวิญญาณที่อาศัยเสียงกลิ่นรสโพธพภะและธรรมารมณ์ของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจักขู่วิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักขู่วิญญาณของเราก็จักไม่มีเพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยโสตวิญญาณของเราก็จะไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นคานะวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยคานะวิญญาณของเราก็จะไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยชิวหาวิญญาณของเราก็จะไม่มี เราจักไม่ยึดมั่นกายยวิญญาณละวิญญาณที่อาศัยกายยวิญญาณของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณละวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนีกอย่างนี้ข้าบดีเพราะเหตุนั้นและท่านพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักขูสัมผัส แล้ววิญญาณที่อาศัยจากขู่สัมผัสของเราก็จกไม่มีเราจกไม่ยึดมั่นโสตะสัมผัสแล้ววิญญาณที่อาศัยโสตะสัมผัสของเราก็จกไม่มีเราจกไม่ยึดมั่นคานะสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยคานะสัมผัสของเราก็จกไม่มีเราจกไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัสแล้ววิญญาณที่อาศัยชิวหาสัมผัสของเราก็จกไม่มี เราจักไม่ยึดมั่นกายสัมผัสลาวิญญาณที่อาศัยกายสัมผัสของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นมโนสัมผัสลาวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนีกอย่างนี้ขหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากจักขคุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากจักขคุสัมผัสของเราก็จักไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียงในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัส ละวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัสของเราก็จะไม่มีเราจกไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสละวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสของเราก็จะไม่มีเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสละวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสของเราก็จะไม่มี เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสละวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ขหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นปัทวีาธาตุและวิญญาณที่อาศัยปัทวีาธาตุของเราก็จะไม่มีเพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นอาโปธาต์ละวิญญาที่อาศัยอาโปธาตของเราก็จะไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นเตโชธาต์ละวิญญาที่อาศัยเตโชธาตของเราก็จะไม่มีเราจะไม่ยึดมั่นวาโยธาต์ละวิญญาที่อาศัยวาโยธาตของเราก็จะไม่มีเราจกไม่ยึดมั่นอากาศทธาต์ ละวิญญาณที่อาศัยอากาศทธาตของเราก็จะไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณธาตุละวิญญาณที่อาศัยวิญญาณธาตุของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจกไม่ยึดมั่นรูปละวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จะไม่มี เราจักไม่ยึดมั่นเวทนาละวิญญาณที่อาศัยเวทนาของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นสัญญาละวิญญาที่อาศัยสัญญาของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นสังขารละวิญญาที่อาศัยสังขารของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณละวิญญาที่อาศัยวิญญาณของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ ข้บ่ดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียงในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณนัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณนัญจายตนะฌานของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นอากิจัญญายตนะฌาน ละวิญญาณที่อาศัยอากินจัญญายตนญชาญของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นเนวะสัญญานาสัญญายตนญชาญละวิญญาณที่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนญชาญของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้ของเราก็จักไม่มีเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าของเราก็จักไม่มีข้าบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราเห็นฟังทราบรู้แจ้งสแสวงหาได้พิจารณาแล้วด้วยใจ เราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและ ว, วิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถบินทิกาขหาบดีได้ร้องไห้น้ำตาไหลท่านพระอานนท์จึงถามว่าท่านยังยึดติดยังอะไรอยู่หรืออนาถบินทิกาขหาบดีตอบว่าไม่ได้ยึดติด แต่เพราะได้ใกล้ชิดกับพระผู้มีพระภาคมานานแต่กลับไม่เคยได้ฟังธรรมเช่นนี้เลยซึ่งท่านพระอานนท์ได้บอกว่าธรรมกาถานี้เข้าฤ ห, หัสคือผู้ไม่ได้บวชเข้าใจได้ยากจึงแสดงให้กับบรรพชิตเท่านั้นอนณทะบินฑิกากรหาบดีเมื่อรู้ดังนั้นจึงขอร้องท่านพระสารีบุตรให้แสดงธรรมนี้แก่เข้าฤ ห, หัตบ้างเพราะคนที่มีปัญญาพอจะเข้าใจเรื่องนี้ก็มีอยู่ ครั้งนั้นท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระอานน์ได้ให้อวาดอนาถบินธิกะคหะบดีด้วยโอวาทนี้แล้วลุกขึ้นจากอาสนะจากไปเมื่อท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระอาหนนจากไปแล้วไม่นานอนาถบินทิกะคหบดีก็ได้ทํากาลากิริยาคือตายแล้วไปเกิดในมูเทพชั้นดุสิตเมื่อราตรีผ่านพ้นไป อนาถบินธิกาเทพบุตรผู้มีวันนะงดงามยิ่งนักได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับด้วยรัศมีกายจึงทําให้พระเจตวันสว่างสวยัยถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่าก็พระเจตวันนี้มีหมู่ฤาษีคือเหล่าภิกษุพำนักอยู่ พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งคือมัคคะเจตนาวิชาหนึ่งคือมัคคะปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะธรรมะหนึ่งคือธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิศีลหนึ่ง คือสัมมาวาจาสัมมากรัมรมันตะและสัมมาอาชีวะชีวิตอันสูงสุดหนึ่งชีวิตของผู้ดำรงอยู่ในศีลการงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งและชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมะนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดรหรือทรัพไม่เพราะเหตุนั้นแหละ คนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยกขายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดในธรรมะเหล่านั้นพระสาวรีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฟังด้วยปัญญาศีลและความสงบอ น, นาถบิณฑิกะเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วจึงถวายอภิวาท กระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณนะที่นั้นเองครั้งนั้นเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วราผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเล่าเรื่องมีเทพบุตรมาเข้าเฝ้าและกราบปูลกระถานั้นไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าเทพบุตรนั้นคงเป็นอนาถาบินฑิกาเทพบุตรเป็นแน่ พราะอนาถาบินธิกาขหาบดีเลื่อมใสแล้วในท่านพระสาวรีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสยืนยันว่าท่านพระอานุ์กล่าวถูกต้องแล้วเทพบุตรนั้นคืออนาถาบินฑิกาเทพบุตรไม่ใช่ใครอื่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านพระอานุ์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบ อนาถาปินที่โกวาทสูตร